ขอนอบน้อมพระรันตนไตยขอกานลวงพ่อกลมอาจารย์นรงวิต์อาจารย์ทรงศิลเพื่อนธทำให้ทุกท่านจะได้ในธรรมญาติโยมทุกคนก็นั่งกันตามสบายนะฟังธรรมก็ต้องให้ใจสบายให้ใจผ่อนคลายนะจะได้รองรับธรรมะได้ดีนะ เหมือนกับพื้นแผ่นดินนะพื้นแผ่นดินถ้าดินตรงไหนนะเขาเขาร่วนเขาซุยนะน้ําก็จะซึมลงไปได้ง่ายนะแต่ถ้าพื้นแผ่นดินตรงไหนมันแข็งกระด้างนะน้ําก็พัดผ่านไปเลยนะน้ําก็ไม่ซึมลงดินดินตรงนั้นก็ไม่อุดมสมบูรณ์ปลนะูกต้นไม้ก็ไม่งอกงาม ใจของเราก็เหมือนกันนะต้องเป็นเหมือนภาชนะทองคำนะรองรับธรรมะนะธรรมะส่วนหนึ่งอาจจะมาจากคําพูดนะธรรมะส่วนหนึ่งก็อาจจะจากบทสวดมนต์ที่เราได้สวดมนต์นั่นแหละนะธรรมะส่วนหนึ่งก็แต่ธรรมะที่แท้จริงก็คือกายใจของเรานั่แหละที่แสดงธรรมชาตินะแสดงความเป็นจริงให้เราเห็นอันนั้นนะคือธรรมะ ของแท้ที่เราที่เราต้องย้อนกลับมาดูนะกลับมาดูดูตัวของเราเองเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาตมาได้มีโอกาสได้ดูดูรายการคนค้นคนคนะมีตอนของคุณหมอวิสุทธิ์ถ้าพวกเราหลายคนคงจำได้เมื่อเหตุการณ์เมื่อสักประมาณสิบปีที่แล้วนะ หมอวิสุทธิเป็นสุตินารีแพทย์ที่มีชื่อเสียงเป็นหมอที่เก่งเรื่องการทํากิฟตนะอันดับหนึ่งของเมืองไทยเขาว่าอย่างนั้นนะแต่ท่านก็มีคดีฆ่าภรรยาของตัวเองนะแล้วก็เป็นข่าวขึ้นหน้านึ่งขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์แต่ว่าออกข่าวโทรทัศนะ์แต่ว่าดังพอสมควรนะเป็นคนที่เก่งนะเรียนเรียนแพทย์นะ เป็นอาจารย์แพทย์เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องวิชาชีพมีชื่อเสียงเกษยษียรติยศแล้วก็มีฐานะก็ค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีแต่ก็ทำผิดทำพลาดในการฆ่าพัญญาตัวเองตายนะก็โดนโดนตัดสินจเรียกว่าโดนตัดสินประหารชีวิตนะก็มีรายการเขาก็ไปสัมภาษณ์นะก็ให้เขาได้ทบทวนว่า การใช้ชีวิตในอดีตก่อนที่จะมาเข้าพวกตรงนี้คิดว่าอะไรคือสิ่งที่ตัวเองพลาดมากที่สุดนะใช้ชีวิตตั้งแต่เกิดมาจนทั้งฆ่าภัญยาตัวเองตายเนี่ยความผิดพลาดที่สำคัญคืออะไรหมอวิสุทเขาก็สรุปได้ดีนะเขาบอกว่าเขาใช้ชีวิตยอย่างประมาทประมาทประมาทที่ตรงไหนประมาทที่ให้ความโร ความโกรธความหลงครอบงําจิตใจนะคือแม้อาจจะเดียนเก่งหรือแม้แต่มีหน้าที่การงานที่ดีมีความสามารถมีชื่อเสียงเกิติยศมีครอบครัวที่มั่นคงแต่สิ่งที่เขาไม่ได้ตระหนักหรือว่าปล่อยให้ชิตพัฒนา ก, ก็คือว่าให้ความโลภความโกรธความหลงมาครอบงําจิตใจนะใช้ชีวิตใยการที่ไม่รู้ทัน ไม่รู้ทันกิเลสนี่ยแหละมันครอบงำจิจตใจตอนไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมอยู่ดีๆก็เลยพอความโกรธครอบงำจิตใจนะก็เลยโกรธพนยาด้วยสาเหตุอะไรบ้างก็ไม่รู้นะดึกๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าแต่สุดท้ายก็โกรธมากจนทั่งฆ่าพนยาตัวเองตายนะแต่โกรธขนาดไหนนะอันนี้ก็แม้แม้เรามีความรู้มากแต่ถ้าเราใช้ชีวิตอย่างประมาทก็ ก็สามารถให้ความโกรธมาครอบงาใจจนทั้งฆ่าคนอื่นตายก็ได้นะอืมบางทีเชื้อความโกรธในจิตใจนะของพวกเราส่วนใหญ่ก็มีกับทุกคนนั่นแหละนะแต่บางคนอาจจะ ข, ขี้โกรธหน่อยนะบางคนก็อาจจะค่อนข้างใจเย็นแต่ก็ยังมีความหมงุดหงิดความไม่พอใจนะขุนเคืองอยู่ในจิตใจบ้างแหละนะบางคนโกรธแล้วก็ด่า ทันทีบางคนโกรธแล้วก็เก็บไว้ในใจนะมันก็ไม่เหมือนกันนะแต่จริงก็เหมือนความโกรธนี่ก็เหมือนกับระเบิดนะระเบิดที่ยังไม่จุดชนวนนะเนาะหรือก็เหมือนกับภูเขาไฟที่มัมมนรอวันที่จะปะทุ ข, ขึ้นมานะรอวันที่จะทำร้ายตัวเราเองรอวันที่จะทำร้ายคนอื่นนะบางทีถ้าพวกเราไม่ตระหนักตัว น, นี้นะความโกรธก็จะทำร้าย คนรอบข้างเสียหายมากมายนะหรือแม้แต่บางคนอาจจะดูภายนอกดูดูนิ่งๆดูสงบนะแต่บางทีลึกๆถ้าเก็บความโกรธไว้ในใจบ่อยๆนะเก็บกดนะเรียกว่าเป็นคนเก็บกดนะบางทีก็น่ากลัวเหมือนกันนะเพราเก็บกดน่ะนะนะมีอยู่ครอบครัวหนึ่งนะมีพระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านเล่าให้ฟังว่าพ่อ นะพ่อนี่ก็ก้มใจเรื่องลูกชายมากนะมีมีลูกอยู่สองคนเป็นผู้ชายเหมือนกันนะลูกคนโตเนี่ยก็เป็นเด็กที่ไม่เกเรนะก็เรียนหนังสือกลับมาบ้านก็อาจจะมีเล่นเก ม, มกบ้างตามภาษาเด็กเด็กมัธยมปลายประมาณนะ่ะแต่ลูกคนเล็กเนี่ยเรียนอยู่มัธยมต้นแต่เป็นเด็กที่ติดเพื่อนมากนะกลับบ้านดึกนะหรือบางทีก็ไป กินเหล้าไปสู่บุรีกับเพื่อนหรือบางครั้งก็ทําเรื่องเดือดร้อนให้กับพ่อต้องไปประกันตัวเนื่องจากทะเลาะวิวาทกับเด็กวัยรุ่นด้วยกันเองพ่อก็ก้มใจเรื่องลูกคนเล็กนี้มากก็พยายามบอกเขายามสอนแต่ก็อย่างว่านะเด็กบางทีก็ก็ยังตามใจตัวเองเดอยวก็เรียกว่าสัมเทธิเมาแล้วก็เกเรทะเลาะวิวาทกันเป็นประจํา พ่อก็เลยคิดอยากจะลองปรึกษาลูกชายคนโตหรือว่าจะช่วยน้องอย่างไรได้บ้างนะอะก็เลยพ่อกับลูกชายคนโตก็เลยคุยกันว่าเนี่ยน้องมันเกเรแบบเนี้ลูกคิดว่าน้องมันจะแก้ไขได้ไหมนะเราต้องมีวิธีไหนที่จะช่วยน้องให้ดีขึ้นลูคนโตที่ดูเหมือนเรียบร้อยนะอ่ดูสงบสงบนะ เขาก็คงมีคําตอบในใจอยู่แล้วนะพอพ่อถามออกมาเนี่ยก็ไม่ต้องใช้เวลาคิดมากนะเขาก็ตอบไปเลยนะบอกว่าน้องมันมันแย่นอมันเกเรมันชั่วแก้ไขไม่ได้ดอกนะข่ามันทิ้งเลยพ่ออเด็กที่เลียงนะบอกข่าทิ้งเลยเสียชื่อเสียงวงตระกูลเรานะ่ามันเป็นน้องเราไม่ผมไม่อยากให้เป็นน้องดอกนะข่าทิ้งเลยนะ พ่อนะพอได้ฟังคำตอบจากลูกคนโตนี่ทุกหนักกว่าลูกคนเล็กเองนะลูกคนโตที่ดูที่ดูสงบสงบเรียบร้อยแต่เก็บกดในใจเนี่ยพร้อมจะเป็นระเบิดเวลาปิดดีไม่ดีไปฆ่าน้องก่อนนะอันนี้คือบางทีบางคนเก็บกดนะเก็บกดในใจก็บางทีพอจะระเบิดนี่ก็น่ากลัวมากนะ ถ้าเราปล่อยให้ความโกรธนะสะสมในจิตใจนะแม้จะเป็นความหงุดหงิดความไม่พอใจแม้เราไม่แสดงออกแต่ถ้าเราเก็บไว้ในใจบางทีมันก็เรียกว่ามันเพาะเชื้อขยายขึ้นในใจนะบางทีระเบิดออกมาเนี่ยก็น่ากลัวมากนะเราจะทำแบบไหนเราถึงจะปลดเช้นวนระเบิดตัวเนี้ยนะออกจากจิตใจของเราได้นะแล้วถ้าเราปล่อยให้ความโลภข้างามจิตใจละ่ะ มันจะมีความทุกข์อย่างไรมีหไหมบางทีบางคนพอความโลภเข้ามาจิตใจก็ขโมยสิ่งของคนอื่นยักหรือว่าเรีว่ า, วามีการยักลอกทรัพย์ของบริษัทของที่ทำงานต่างเนี่ยถ้าเราไม่ดูทันก็ทำแบบนี้ก็ได้ใช่ไหม อ, อย่าเผอ่หรอกกันนะถ้าเผออเมื่อไร่ฉันจะเอานะแต่ถ้าคุณไม่เผอฉันก็เป็น คนดีนะแช่ก็เรียบร้อยเดี๋วก็ได้บางทีความคิดความโลภนะมันก็ทําให้เราเป็นเปรต น, น, นะในค่าความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยแหละนะเนะี่ยถ้าเราปล่อยให้ความโลภครอบงำจิตใจเราก็ทําทําผิดศีล น, นะผิดธรรมส่วนความหลงเนี่ยถ้าเราปล่อยให้ครอบงำจิตใจเนี่ยมันก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะแต่ความหลงนี่ก็มีหลายแบบนะเช่นนะ หลงนะหลงในความสวยหลงในความงามนะในของตัวเองบ้างความสวยงามของคนอื่นบ้างสิ่งอื่นบ้างนะหรือบางทีเราก็หลงในชื่อเสียงเกียรติยศนะหลงในคําสรรเสริญเยินยอเรานะหรือหลงในเงินทองที่เรามีนะหรือบางทีบางคนก็หลงว่าฉันยังหนุ่มฉันยังสาวนะ ยังไม่แก่หรอกนะยังมีชีวิตอยูย่อีกนานบางคนก็ยังหลงว่าตัวเองแข็งแรงนะยังไม่ใกล้ยังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยยังไม่ใกล้จะตายหรอกนะก็เรียกว่าหลงในการมีชีวิตอย่างประมาทนั่นแหละนะใช้ชีวิตอย่างประมาทนะตอนนี้หรือว่าหลงว่าตอนนี้ยังไม่ทุกข์เท่าไหร่ยังมีความสุขดีนะก็ใช้ชีวิตเพลินไปกับโรคไปเรื่อยในความหลงก็มีหลายแบบ พวกเราลังคิดดูถ้าเราปล่อยให้ความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตใจเนี่ยนะนะเราก็เป็นธาตุความโลภความโกรธความหลงเนาะมมันมันมาเล่นงานมันมาครอบงำจิตใจเราเมื่อไหร่นะหน้าตาจิตใจก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์พวกนั้นใช่ไหมนะถ้าเราโกรธนะก็ดูดูหน้าเราในกระจกนะก็เป็นเหมือนเป็นยักษ์ เป็นผีเป็นมาเลยก็ได้เนาะอืมตอนที่โลภเมื่อไรนะบางทีถ้าจะดูดีๆก็ดูตาตัวเองอะไรนะตามันจะเจ้าได้สักหน่อยนะอืมมันตาของงูอย่างนี้นนะอืมแต่ถ้าดงเนี่ยบางทีมันก็เพน ย, ย์ตามันจะเบอเบอะเมือเมือนนะเหมือนเราดูตาของหมาก็ได้นะบางทีตาของหมาเนี่ยมันจะแบบมันเหมือนมันหมกมุ่นคุค้นคิดอะไรก็ไม่รู้นะ ถ้าเราสังเกตเป็นนะอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่ทุกครั้งทุกขณะของมันนะแต่มันเป็นพหภูมิของสัตว์เดรฉ า, านนะที่หลงไปหลงไปกับการมีชีวิตอยู่ไปวันวันไม่รู้ว่าชีวิตมันมีเป้าหมายอะไรนะเกิดมาหากินนะสืบพัน์แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายไปเฉยเฉยนะแต่มนุษย์เราอาจจะเนียนกับ น, นั้นเองนะก็อาจจะมีมีการศึกษามี การแต่งเนื้อแต่งตัวมีการประดับตกแต่งมีอะไรต่างๆมากขึ้นนะแต่ถ้าเรายังบนเวียนอยู่แค่ว่านะใช้ชีวิตในการเสพในการบริโภคมันก็ยังตายไปก็เรียกว่าเสียชาติเกิดเหมือนกันนั่นแหละเนะี่ยผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างประมาทเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่านะเป็นทางสู่อบายนะเป็นทางสู่ทุกคตินั้นะนะพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านจะปรินิพาน คำพูดสุดท้ายที่ท่านตัดเตือนพิสุทั้งหลายพิสุทั้งหลายในที่นี้พิสุเนี่ยแปลว่าผู้เห็นภัยเห็นภัยในวะตะัตฏสงสารนะพิสุอาจจะไม่จํากัดความแคบแคบเพียงแค่ว่าพระนะที่แปลว่าพิสุแต่ถ้าใครก็ตามนะนะจะเป็นแม่ชีจะเป็นอุบาสิกาหรือจะเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าหรือเป็นผีเป็นอะไรก็ได้นะ เป็นสัตว์ก็ได้ถ้าเป็นผู้ที่เห็นภัยในวตาสงสารนะอันนั้นแหละชื่อว่าเป็นพิสุนะพิสุทั้งหลายเธอจงทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนะ่ะก็คือว่าละความประมาทออกไปจากจากจิตจากใจให้ได้นะ่ะธรรมที่จะละความประมาทหรือว่าธรรมที่เป็นคู่ปรับกับความประมาทก็คืออะไรก็คือการมีสติเนี่ยแหละนะการมีสติเนี่ยเป็นธรรมคู่ปรับของความประมาท ถ้าเรามีสติจะชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทแล้วนะไม่ประมาทนะก็คือว่าเรามีสติเพื่อรู้รู้ทันกายรู้ทันใจน่ะมันจะไม่ประมาทเราประมาทเพราะอะไรประมาทเพราะเราไม่รู้ทันจิตทันใจไม่รู้ทันความโลภความโกรธความลงที่เกิดขึ้นกับใจนี่แหละนะถ้าเรามีสติเราจะทันนะเราจะทันความโลภความโกรธความลงที่เกิดขึ้นนะ หรือบางทีเราก็พูดย่อๆว่ารู้ทันความคิดนะเรามีสติพอเรารู้ทันความคิดความคิดครอบงมจิตไม่ได้นะเราก็ไม่ต้องทำตามความคิดนะเมื่อเราเป็นอิสระเหนือความคิดเราก็เป็นเรียกว่าเราก็ไม่ประมาทแล้วอันนี้แหละล้วการที่เรามาฝึกสตินะเริ่มต้นด้วยการที่เรามีสติกับการรู้สึกกับการเคลื่อนไหวรู้สึกกับการเดิน รู้สึกกับการหายใจหรือรู้สึกกับกายส่วนใดเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้จิตมันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวก่อนจิตของคนเราเนี่ยมันท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่นะพการท่องเที่ยวในภพน้อยภพใหญ่นี้ไม่ใช่รอรอเราตายก่อนนะถึงจะไปเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นเประ เ, เป็นสัตวน่ารกักเป็นอสุรกายอันนั้นเป็นภพภูมิที่เรียกว่าเป็น เป็นรูปเป็นล่างอ่าเป็นรูปนะเป็นภพของรูปแต่ภพของนามมาทำเนี่ยภพของจิตใจเนี่ยมันท่องเที่ยวในภพน้อยภพใหญ่ตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่ตายเนี่ยแหละนะก็คือภพในรูปของความคิดเนี่ยแหละภพของรูปของความหลงเนี่ยแหละนะคิดเมื่อไรก็หลงไปเมื่อนั้นอันนั้นแหละคือภพภูมิที่ถ้าเรายังประมาท ก, การมีสติเนี่ยจะเป็นตัวปรับความคิดโดยตรงเลยนะอ่านะ แทงเข้ามาที่ตัวความรักคิดนะความคิดในที่นี้คือความรักคิดนะมันมี2ตัวนะการคิดเนะี่ยอย่างหนึ่งคือการตั้งใจคิดไอ้การตั้งใจคิดเนี่ยไม่เสียหายนะเราไปใช้กับการงานเราไปใช้กับการวางแผนหรือเราไปใช้กับการะระดึกพิจารณาถึงอดีตที่เคยทำทำผิดทําชอบอะไรเนะี่ หรือการที่เราไปตั้งใจคิดเพื่อที่จะกำหนดเป้าหมายชีวิตหรือว่าวางแผนในการใช้ชีวิตต่างๆไอการตั้งใจคิดเนี่ยไม่ได้เสียหายนะแต่อาจจะต้องระวังในแง่ว่าก็ต้องรู้จักกาลเทศะนะรู้จักเวลาที่เหมาะสมบางทีเราตั้งใจคิดนะตั้งใจคิดตอนก่อนจะนอนวันนะี้บางทีมันก็เรียกว่าไม่ถูกกาลเทศะแล้วนะนะเอาเรื่องงานที่มีประโยชน์เหมือนกันนะนะ แต่มาคิดตอนก่อนนอนก็จะทําให้เราเครียดเครียดแล้วก็นอนไม่หลับหรืออย่างช่วงนี้เราตั้งใจที่จะลา ง, งานมาเพื่อปฏิบัติธรรมนะการคิดเรื่องงานในที่นี้นะในที่วัดตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะแม้การคิดเรื่องงานเป็นเรื่องที่ดีแต่มันไม่ถูกเวลาไม่ถูกสถานที่นะมันก็ไม่เหมาะนะแม้แต่การตั้งใจคิดก็ต้องก็ต้องให้มันถูก ถูกที่ถูกเวลาเหมือนกันนะเพราะบางทีการตั้งใจคิดเนี่ยก็ทําให้เราเพลินเหมือนกันนะบางคนก็ตั้งใจคิดเรื่องราวที่เป็นธรรมะนะคิดไปก็ลืมว่าเรากําลังเดินอยู่คิดไปก็ลืมว่าเรากําลังยกมืออยู่หรือคิดธรรมะก็เพลินไปกินข้าวอยู่ก็ยังคิดนะอาบน้ําก็คิด ยิ่งถ้านอนก็คิดด้วยเนี่ยนอนไม่หลับเลยนะมันจิตมันตื่นเกินไปนะจิตมันตื่นเกินไปอันนี้การตั้งใจคิดเนี่ยเราก็ต้องรู้รู้ความเหมาะสมแต่ถ้าเป็นตัวที่เรียกว่าตัวรักคิดนะตัวรักคิดก็คือตัวที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วมันโผล่ขึ้นมาเองนะหรือบางทีมันก็เรียกว่ามันผุดขึ้นมานะผุดขึ้นมาโดยที่ไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีปี่ไม่มีขุยนะ นั่งอยู่ดีๆมันก็โผล่ขึ้นมาคิดแวบนะเรื่องโรคเรื่องโกรธเรื่องหลงเรื่องรักเรื่องชังหรือเรื่องฟุ้ง้งซ่านหรือเรื่องดีๆก็เหมือนกันบางทีมันก็รักคิดขึ้นมาไอ้ตัวรักคิดเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราต้องรู้ทันนะรู้ทันมันให้ให้บ่อยบ่อยนะรู้ทันมันให้เร็วเร็วถ้าเรารู้ทันมันเร็วเ็วมันจะไม่ยืดยาวแต่ถ้าเรารู้ทันมันช้า ตัวรักคิดตัวเนี้ยมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเรื่องที่สามปรุงแต่งไปเรื่อยนะจบเรื่องนั้นก็ไปเรื่องนี้นะมันจะเพลินกับความคิดมันจะเม่อยลอยไปเลยการมีสติอย่างนี้ก็คือเมื่อเรามีสติดูกายแล้วอาจจะดูทันใจที่มันเผลอไปคิดนะใจที่มันเผลอไปคิดเนี่ยแหละคือตัวสมุทรไทยที่ทําให้เกิดการปรุงแต่งเกิดพบเกิดชาติเกิดอุปทานนะ เกิดความทุกข์ขึ้นมาในจิตใจนะเราต้องปรึกติให้รู้ทันตัวนี้แหละตัวตัวการที่สําคัญจิตใจที่มันเผลอไปคิดนะเรารู้ทันตัวเนี้ยเราจะเป็นอิสระจากความคิดไดนะ้เป็นอิสระจากความคิดจิตก็ว่างนะจิตก็วางการยึดมั่นถือมั่นเรามารู้ตรงนี้แหละนะตัวรับคิดเป็นตัวที่สําคัญนะหลวงพ่อเทียนดีท่านพูดว่าถ้าเรา ถ้าเรารู้ทันจิตที่มันเผลอไปคิดเนี่ยแหละเรียกว่าได้ต้นทางของการปฏิบัติธรรมเลยนะอแต่เบื้องต้นเราก็มีสติกับการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยแหละออันนี้นเป็นเบื้องต้นแต่มันยังไม่ได้ต้นทางหรอกเมันได้รูปแบบเฉยๆหรือว่ามันได้มันได้หลักนมันได้สะพานในการที่จะก้าวเดิ น, นแต่เราถ้ายัางไปก้าวเดินเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ทางนะอมันเหมือน มันได้วิธีการเฉยๆในราวเอาไปจับนะกันตกเพราะอะไรเพราะบางทีถ้าเราคิดแล้วเราเราจะไปดูความคิดตรงๆดูความคิดซื่อๆเนี่ยมันส่วนใหญ่มันจะถล่มลงไปอยู่กับความคิดนะการที่เราเดินจงกรมการที่เราสร้างจังหวะหรือทํากรรมฐานวิธีไหนก็แล้วแต่มันเหมือนคล้ายๆเราไม่ไปดูความคิดตรงๆนะแม้ความคิดเป็นสิ่งที่เราควรที่จะไปรู้ รู้ให้มันทันแต่ถ้าเราไปดูมันตรงๆเมื่อไหร่นะมันจะกลายเป็นการไปถล่าดูเป็นการไปเหมือนใคๆไปจ้องดูนะอย่างตัวผมหรือตัวอาตมาเองบางทีก็เคยเคยไปเมือนใครเราเดินจมกลมไปอย่างเนี้ยเราก็ไม่ได้ใส่ใจในการที่จะรู้การเดินจมกลมเมื่อเท่าไหร่หรอกนะนทีพอเราได้ยินคําสอนเนี้ยเราก็คอยที่แบบส่งจิตไปคอยจ้องดูมันคิดเมื่อไหร่เราจะรู้เร็วๆเลยนะ มันคิดเมื่อไหร่เราจะคอยตะปบมันทันทีเลยนะแต่มันก็ลืมไปว่าจิตเรามันถลําไปไปคอยดูคล้ายๆเหมือนกับคล้ายๆถ้าเหมือนหนูมันอยู่ในดูนะเหมือนเราเป็นแมวเอาสตินะไปเฝ้าอยู่ปากรูหนูเลยนะเอมื้อหนูมันจะกล้าโผล่มาละมันก็ไม่กล้าโผล่มาหรอกหรแต่ถ้ามันโผล่มาก็โผล่มาแบบดอกๆเฉยๆนะเราก็ยัง มันไม่โผล่มานะเราก็ยังล้วงเข้าไปดูในดูอีกนะบางทีเราก็พอมันเราไม่เห็นมันคิดนะบางทีเราก็เผลอเผลอไปถลําเข้าไปค้นดูเอ๊ะทําไมจิตมันนิ่งๆเมื่อไใดมันจะคิดนะมันถลําเข้าไปขนาดนั้นนะมันไปคอยดักจ้องน่ะดักดูหรือบางทีไปคอยค้นหาเลยว่าจิตตัวนี้เราเป็นแบบไหนมันมีความสงสัยทําไมมันนิ่งเกินไป ทำไมมันสบายเกินไปทำไ ม, มไม่คิดนนก็สงสัยไปนะแต่จริงก็ดูไม่ทันว่าตัวเองก็เผลอไปสงสัยนะอืมอันนั้นจิตพวกนี้บางทีการที่เราจะไปดูความคิดหรือดูนมามธรรมโดยตรงมันดูยากเมื่อเราอยากจะไปดูมันเนี่ยมันก็กลายเป็นการถล่มดูมันก็ผิดทางอีกอย่างหนึง่งหรือถ้าเราดูแบบไม่มีหลักมันก็จะโดนความคิดมันลากไป จิตถ้ามันยังไม่มีสติเนะี่ยมันไม่มีกําลังมันเหมือนมันเหมือนสมมติเอ่อเราเป็นเด็กสมมตินะเราเป็นเด็กเราอยากจะฉุดผู้ใหญ่ให้มันอยู่กับที่เนี่ยเราไปกอดขาเขาไว้นะถ้าผู้ใหญ่มันไม่ยอมหยุดนะมันก็ลากเราไปแล้นะเราไม่มีกําลังพอนะใครจะไปดูความคิดโดยการที่ไม่มีสักเนี่ยมันดูไม่ได้เพราะว่าเมื่อใดที่เราไปรู้ทัน่ะมันโดนจิตโดนความคิดเนี่ย ลากไปเลยนะลากไปแทนที่เราจะบอกว่าเรารู้ทันความคิดกับกายเป็นเราอยู่ในความคิดนั่นแหละนะไม่มีอิสระนะแต่ถ้าเรามีมีกายที่เคลื่อนไหวมีกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องเราจะรู้นะให้จิตมันค่อยจะรู้ตรงนี้เป็นปัจจุบันธรรมนะจิตมันจะค่อยๆมีกําลังขึ้นมีกําลังมากขึ้นเมื่อความคิดมัน เกิดขึ้นเมื่อไรอ้ารู้ทันแต่การรู้ทันในเบื้องต้นนี้ไม่ต้องไปรู้แบบหารายละเอียดรู้ทันแค่ว่าเออจิตมันเผลอไปคิดจิตมันมีอารมณ์จิตมันมีความรู้สึกสุขหรือทุกข์เกิดขึ้นในจิตอ้ารู้แค่นี้พอละแล้วก็กลับมารู้ว่าเราเรากำลังทําอะไรเช่นกลับมารู้ว่าเรากําลังเดินกลับมารู้ว่าเรากําลังยกมือสร้างจังหวะอยู่กลับมารู้ว่ากําลัง ทานข้าวอยู่อะไรนะแบบนี้ก็คือกลับมารู้ว่ากาลังทำอะไรเป็นการสะสมกำลังให้กับสตินะเป็นการเพราะสติให้มันเติบโตขึ้นเรื่อยๆก่อนแล้วต่อไปจิตมันอาจจะเผลอไปอีกละเผลอไปก็ไม่เป็นไรเราก็รู้ทันมันอีกรู้ทันมันอีกเรารู้ทันเราก็เหมือนเราได้กำลังเหมือนกันนะการที่สติมีกำลังเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือการที่สติรู้ว่ากายกาลังทาอะไรเนี่ย ก็เป็นอาหารของสติเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งการที่เราแค่รู้ว่าจิตมันเผลอไปคิดอันนั้นก็มีกำลังแล้วนะไม่ต้องไปเอาอรไรละเอียดนะถ้าเปรียบเส ม, มือนกับการการรับประทานอาหารของเราเนาะเช่นจิตมันรู้กายที่เคลื่อนไหวก็เหมือนกับเราทานข้าวแบบนี้นะนะก็ได้โปรตีนเอ่ไมได้คาร์โบไฮเดรตนะได้พลังงานแต่ถ้าเราไปรู้ทัน กิเลสหรือทานความคิดเนี่ยเหมือนกับเราทะเราทานกับข้าวทานผลไม้ได้วิตามินได้เกลือแร่นะถ้าเราทานแต่ข้าวเปล่าๆนะก็ขาดสารอาหารนะนะถ้าเราจะกินแต่กับอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่ได้พลังงานนะอืมมันต้องกินทั้งกับกินทั้งข้าวคู่กันไปนะั้นสะตินะมันจะมีกําลังได้ดีก็เราต้องรู้ทั้งทั้งสองส่วนนี่แหละคู่คู่กันไปนะ ควบคู่กันไปรู้ทั้งกายรู้ทั้งใจควบคู่กันไปอ่ามันอย่าไปปฏิเสธที่จะไม่รู้อ่าที่จะไม่รู้อย่างอื่นอย่าไปปฏิเสธที่จะรู้แค่อย่างเดียวถ้าเราคอยที่จะปฏิเสธอย่างหนึ่งแล้วก็จะเอาแค่อย่างเดียวเนี่ยจิตมันจะพลิกกลายเป็นสมถะได้ง่ายนะแม้เราจะบอกว่าเรายกมือสร้างจังหวะเป็นวิปัสสนาบอกไปเถอะนะแต่ถ้าเราจดจ้อง จดจ่ออยู่กับอย่างเดียวเนี่ยจิตมันเป็นสมถะนะยกมือนั่ก็เป็นสมถะได้น ะ, ะถ้าเราคอยแต่จ้องหรือว่าดูแต่มืออย่างเดียวไม่สนใจอย่างอื่นเนี่ยจิตมันแน่วแน่ในอารมณ์เดียวนั่นแหละคือสมถะแต่สมถะถ้าเรารู้ว่ามันเป็นสมถะก็ไม่ได้เสียหายนะแต่ถ้าเราคิดว่าที่เราทำเป็นวิปัสสนาแต่จริงมันเป็นสมถะอยู่อันนี้มันเสียหายคือตรงนี้คือมันไม่รู้ แต่ถ้าคนรู้ว่าตัวเองทำสมาธะทำเพื่อให้เกิดความสงบก่อนแล้วค่อยยกจิตสู่วิปัสสนายกจิตสู่การพิจารณาธรรมะนะยกจิตสู่การเดินปัญญาดูอารมณ์ดูความคิดต่อไอแบบนั้นก็ได้ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเราทำแบบไม่รู้เนี่ยมันเราจะพลาดหลายคนก็น่าเสียดายนะทำกรรมฐานมาหลายปีแล้วบางทีมันมันไม่ก้าวหน้ามันติดอยู่ตรงไห น, นบางที พอติดยุดที่สมถะมันเหมือนเดินไปไม่ถูกนะเดินไปต่อไม่ได้นะใช่ไหมรู้เคยไหมยอย่างตัวผมหรืออาตมาเองแต่ก่อนเวลาดูลมหายใจนะทำแบบอนาปานสติบางทีจิตจิตมันตามรู้ลมเข้าลมออกลมหยาบลมละเอียดตามรู้ไปเรื่อยๆจนทั้งมันเหมือนไม่มีลมหายใจจิตมันนิ่งๆนะจิตมันเหมือน ตกอยู่ในพวังนะแต่ในพวังตรนั้นมันสบายมันมีความสุขมันมีความสงบบางครั้งก็มีมีนิมิตนะมีความรู้สึกตัวเบาบ้างมีความรู้สึกตัวลอยมีตัวรู้สึกว่ามันคล้ายๆเหมือนจะบรรลุธรรมแล้วประมาณนั้นในความรู้สึกนะไม่ใชข่ของจริงนะแต่เราก็ค้นพบต่อว่ามันไปต่อไม่ได้ พอมาถึงตรงนี้แล้วมันไปไหนต่อไปไม่เป็นนะไปไม่เป็นพอมันเข้าแล้วก็สักพักหนึ่งมันก็คายออกมาแต่จิตมันติดใจนะจิตมันติดความสุขความสงบมันจะติดใจมันจะอยากเข้าอีกเข้ามาได้ก็ไปต่อไม่ได้น ะ, ะไม่รู้จะทำอะไรต่อบื้อๆ อ, อยู่แบบนั้นแหละไม่มีปัญญานะอพอออกมาเอก็อยากจะเข้าไปใหม่นะอันนี้คือสมถะบางทีมัน มันดีไหมดีในแง่ได้พักกับความสุขกับความสงบแต่มันไม่เกิดปัญญานะแต่การที่เราจะเดินสติเนี่ยมันจะเน้นที่ตัววิปัสสนาวิปัสสนาก็คือการเห็นเห็นธรรมชาติของรูปของนามตามความเป็นจริงนั่นแหละมันจะเห็นตามความเป็นจริงความเป็นจริงของรูปของนามคืออะไรคือเห็นลงไปในความเป็นไตรลักษณ์ของรูปของนามนะดูดูไปเลยนะดูไกล มันเป็นไตรักแบบไหนนะความไม่เที่ยงที่กายมาแสดงเน่เป็นแบบไหนดูลงตรงนั้นนะเราจะไปคิดว่าปฏิบัติแล้วกายมันต้องเที่ยงปฏิบัติแล้วกายมันต้องไม่เจ็บนะมันไม่ใช่กายมันต้องไม่ทุกข์มันไม่ใช่มันฝืนกดไตรักนะกายมันไม่เที่ยงมันแสดงความจริงให้เห็นแล้วกายมันแสดงความทุกข์นะความจริงของไตรักแสดงแล้วนะ กายมันบังคับไม่ได้นะ่นะความจริงเขาแสดงแล้วเรายอมรับหรือเปล่าก็าแค่นั้นจิตใจก็เหมือนกันนะมันแสดงใจดักให้เราตลอดเวลาเลยนะนะี่มันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงนาทีหนึ่งไม่รู้คิดกี่ครั้งนะนาทีหนึ่งไม่รู้หลงกี่ครั้งนาะนะทีหนึ่งบางทีก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์บ้างเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะนี่เขาแสดงความไม่เที่ยงนะความเป็นทุกข์นี่เขาก็แสดงนะจิตพอเวลามันโกรธเนี่ยมันร้อน มันร้อนในจิตในใจไม่สบายใจเวลาโลภเวลาอยากได้อะไรก็เหมือนกันจิตมันกระวนกระบายมันอยู่ไม่สุขมันอยู่ไม่นิ่งใช่ไหมเวลาหลงไปเลยนี่ก็แล้วแต่อาการความหลงนะเรียกว่าเสียความเป็นปกติก็ได้อันนี้แหละเขาแสดงความเป็นไตรลักษณ์แสดงความเป็นทุกข์ให้เราเห็นแสดงว่าเราบังคับเขาไม่ได้นะะเขาเป็นตัวเป็นของเขาเองไม่ใช่ไม่ใช่เป็นตัวตนของเราบังคับไม่ได้ อันนี้แหละเราดูวิปัสนาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราเห็นรูปเห็นนามตามความเป็นจริงก็คือเห็นตามหลักของไตรลักษณ์นะนะก็ขอให้พวกเราได้ได้จะเดินสติเพื่อให้เห็นตรงนี้แหละนะเห็นรูปเห็นนามตามความเป็นจริงนะอะไรที่เขาแสดงนะี่ยถูกอยู่แล้วใจเราจะยอมรับความจริงหรือไม่แต่เขาแสดงสิ่งที่ถูกต้องให้เราดูแล้วเราหนะ้าที่ของเราก็แค่เปิดใจนะเปิดใจ ยอมรับความจริงอย่างที่ธรรมาพูดในตอนต้นแหะธร ร, ธรรมะนะเราต้องเปิดใจของเราให้ยอมรับความจริงของธรรมะของธรรมชาติถ้าเราเปิดใจยอมรับความจริงของธรรมชาติได้นะธรรมะก็จะซึมซับก็สู่จิตสู่ใจนะจิตใจที่มีธรรมะซึมซับนั่นแหละคือจิตใจที่เรียกว่ารู้ตื่นเบิกบานนะที่จริงมันก็มีอยู่แล้วนะ แต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่งอกงามเท่าไหรการที่เรามาสร้างสติมาฝึกสตินะก็เพื่อคล้ายๆเพาะนะเพา ะ, มะเมล็ดพันธุ์โพธินะความรู้ตื่นเบิกบานขึ้นในใจของเราให้มันงอกงามขึ้นนะก็ขอให้พวกเราได้ได้ตั้งใจทำความเพียรต่อไปก็คิดว่ า, าสมควรเกเวลานะกาพะพอมกัน